พระธรรมเทศนาแผ่นที่69าลำดับที่21โดยหลวงพอ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่26มกราคม2558มีชื่อเรื่องว่าชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธ วันนี้เป็นวันจันทร์วันที่26สกมกราคมพุทธศักราช2558วันนี้เป็นวันจันทร์เมื่อวานตอนบ่ายสองโมงครึ่งหลวงพ่อได้ขึ้นไปไประชุมหารือกันที่วัดป่าภูก้อนมีท่านเจ้าคณะจังหวัดหนองคายหลวงพ่อเลิศ แล้วก็เจ้าคณะอำเภอบ่น้ำโสมหลวงพ่อบุญมีแล้วก็หลวงพ่อชาลีแล้วก็หลวงพ่อแล้วก็ผู้กากับแล้วก็คุณอูดเจริญโฮเทนเมื่อวานหารือเกี่ยวกับที่จอดรถผูก้อน คนมันขึ้นเยอะค น, นขึ้นผูกกรอนไม่รู้จะเอาอยัางไงวันเวยังไงจอดรถยังไงถ่ายเทคนขึ้นไปยังไงเลยไปหารือกันเมื่อวานก็สถานที่ ก, กว้างขวางอยู่พอไปดูพื้นที่แล้วก็คงจะปรับพื้นที่ให้เข้ากับนั่กับนิดหน่อย คงจะถมดินบ้างก็เลยบอกมอบให้เจ้าคณะจังหวัดหนองคายหลวงพ่อเลิศเป็นผู้ประสานเกี่ยวกับกร อ, กร อ, ก, รอกรอปรอกลางเก่ามาช่วยดูอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเดี๋ยวพอรถมันติดไม่ใช่ติดในน้อยนะมันติดไปถึงหน้าโรงพยาบาลอำเภอนายูง เป็นหลายชั่วโมงกว่าที่จะขึ้นไปกราบพระได้เพราะนั้นเราเป็นเจ้าของท้องถิน่นหลวงพ่อเนี่ยกเป็นล ห, ลลปลหลวงหูหลวงตากว่าหลวงปู่หลวงตาเลยหลวงหูหลวงตาอยู่ในถิ่นนี่ก็ช่วยๆกันคิดนะเมื่อวานก็ได้ขึ้นไปหารือกันก็คิดว่าน่าจะแก้ปัญหาได้ไดในระดับหนึ่งติด ถ้าทำแต่อย่างที่เมื่อวานนี้นะคงจะจอดรถได้ประมาณหลายพันคันอยู่ไม่ต่ำาถ้าเป็นรถเก่งก็สองสามพัน 2, 3, คันคงจะได้ที่ตรงนั้นเพราะมันป่าเข้าไปเกือบยี่สิบไร่วันนี้เป็นวันจัน์คณะสัทธายาิโยมลูกหลานไม่มากวันนี้ แต่อากาศก็รู้สึกว่าเมื่อวานกับวันนี้หลวงพ่อว่าไม่แพ้กันนะท่งตัวเมื่อวันนี้แต่ต่อไปไม่รู้จะเป็นยังไงมันขึ้นขึ้นลงลงอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อวานคนก็เล ย, ยเสียงไอคอกแคกเห็นมากต่อมากเป็นหวัดเป็นไอเพราะอากาศมันเปลี่ยนแปลงแต่ทียังไงก็จะทำยังไงได้เราอยู่ใต้ฟ้า ต้องรักษานะรักษาสุขภาพพวกเราทุกๆ ท, ท่านสรุปแล้วก็คือให้รักษากายรักษาใจรักษากายก็คือรักษาการเป็นอยู่พอประมาณให้รักษาใจตัวเองต้องคิดดูให้ดีการรักษาใจอย่าให้มัน ออกนอกรูนอกทางอย่าให้มันออกไปโลภโผโมโกันนะอย่าออกให้ไปให้มันกัดคนนั้นกัดคนนี้ให้ดูถ้าตัวเองไม่ดูตัวเองแล้วใครจะดูถ้าเราไม่ดูตนเองมันมองไม่เห็นนะมองเห็นแต่คนอื่นเห็นแต่ความไม่ดีของคนอื่นไม่มองมองไม่เห็นความ ดีความเลวของตนเองถ้ามองเข้ามาหาตนเองนะจะมองเห็นมีสติสัมปชัญญะจะมองเห็นอันไหนควรไม่ควรสมัยครั้งพุทธกาล พ, พระสงฆ์ทั้งหลายชมภาษารีบุตรเมื่อวานหะลวงพ่อพูดถึงภาษารีบุตรนะวันนี้ก็หลวงพ่อจะพูด ถึงอัครสาวกข้างขวาของพระพุทธเจ้าพระสาริบุตรเป็นผู้มีปัญญาเลิศกว่าในบรรดาสิทธิ์ทั้งหลายยกให้ท่านสาริบุตรเป็นผู้มีปัญญาเลิศกว่าเป็นอัครสาวกข้างขวาของพระพุทธเจ้าหนึ่งพระพุทธเจ้าสองก็คือสาริบุตรสก็คือพระโมคคัลลานะ ที่เป็นตัวที่นับถือเรื่มสของพุทธบริษัทตอนนี้พระโมกข์พระสารีบุตรเทระพระสงฆ์ทั้งหลายชื่นชมว่าเป็นผู้ไม่แสดงอกับกิริยาความโกรธพระพุทธองค์ทราบข่าวทั้งหมดแน่นะ่บอกว่าสารีบุตรไม่ใช่ธรรมดา ท่านเป็นผู้อดทนเป็นผู้มีคติเป็นผู้มีปัญญาในที่ต่างๆที่ผ่านมาแล้ววันหนึ่งในกรุงราชคฤห์พระพุทธเจ้าเจด็จประทับอยู่ที่วัดป่าเวลุวันในกรุงราชคฤห์คือแม่ของท่านภาษาริบุตรอยู่ที่ นร ก, กะเนีเมือง น, นาร ก, กะนารันทานเ น, นาร ก, กะอยู่ติดใกล้กับกรุงราชคือเป็นเศรษฐีแม่ภาษาลีบุตรไม่ใช่ธรรมดานีแม่ภาษารีบุตรป่ะแม่พระโมครารเนี่ยตระกูลพระโมครากับตระกูลภาษารีบุตรเป็นตระกูลสองตระกูลคู่กันมีทรัพงแปดโกดเหมือนกันนะบอกแปโกดโกดหนึ่งมากขนาดไหนโกดหนึ่งก็สิล้านนี หมื่นแสนล้านโกดสิบหมื่นเป็นแสนสิบแสนเป็นล้านสิบล้านเป็นโกดคนตะก่อนเขานับเป็นโกดแปด0ิบโกดก็ เ, เอา10บคูณเข้าไปเลยเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่ท่านจะบอเป็นเศรษฐีแต่มีท่านมีพี่น้องอยู่7คนนะภาษารีบุตรท่านเป็นคนหัวหัวปีเป็นคนโต พ่อแม่ก็หมายมั่นปั้นมือนะ่อยากให้จะให้ลูกคนโตเนี่ยเป็นผู้ครองสมบัติพาน้องๆทั้งหลายดูแลสมบัติแต่พระสารีบุตรเนี่ยท่านออกบวชซะท่านเบื่อโลกไปดูเขาเล่นการพนันแอบเล่นการการละเล่นไปดูการละเล่นไปดูคอนเสิร์ตลักษณะอย่างนั้น หมอรำหมอร้องหมอรำดูคอนเสิร์ตอย่างนั้นนะแต่ก่อนก็สนุกสนานเอาเทปให้เขาเอาพวงมาลาลงไปแขวนคล้องให้เขากับพระโมกขลานั่งเก้าอี้สูงๆในเป็นหัวหน้าบริวารก็เต็มคนละห้าร้อยคนสมัยนั้นแต่วันนั้นพระโมกขลาสารีบุตร เห็นคนทั้งหลายสนุกสนานเผิดเลินเอฮากระโดดโลดเต้นก็มาตะกอนเนี่ยโ อ, อ้แสดงอากับกิริยาลงไปทิปให้รางวันแต่วันนั้นพรโมกคาลากระสาลบุตรเห็นเลยเฉยไม่สนุกว่ากันน่นะบุญบารมีบุญบา ร, ร, ร, รมีเข้ามาถึงแล้วไม่สนุกเห็นละพอเสร็จแล้วกับ โมกขลาก็เลยถามเอ๊ะท่านสรีบุตรทาไมเธอท่านจึงไม่อาศแสดงอากัปกิริยาเหมือนครั้งก่อนๆคราวก่อนๆทําไมจึงทําเงียบ ม, มันนันนี้เอ๊ะผมมันแปลกเหมือนกันนะเอ่อโมกขลานะผมเห็นแล้วมันไม่รู้จะสนุกไปเพื่ออะไรเพราะทุกคนเนี่ยอยู่ด้วยการมันตายทั้งหมดมันระลึกถึงความตายก็ไม่รู้ว่าจะ สนุกไปเพื่ออะไรสนุกไปเพื่อตายเหรอีกสักวันนึงก็จะตายอยู่แล้วคนที่กระโดดนั่นกระโดดไปนั้นกนะระโดดเพื่อไปหาความตายอีกสนุกไปหาความตายเฮ ห, หาไปถึงความตายถึงความตายแล้วมันมีอะไรนะจะทำยังไงตามไม่จริงจะทำยังไงจึงจะไม่ตา ย, นะยควรจะหาช่องทางนั้นนั้นมากกว่าที่จะมาสนุกสนานลุ่มหลงอยู่อย่างนี้นะ ถ้ากับผมก็เห็นคุณเหมือนกันนะทำไมคุณก็เงียบเงียบเหมือนกันวันนี้วะไม่เหมือนครั้งก่อนๆผมก็แปลกใจเหมือนกันนะเมื่อคุณถามผมก็ถามคุณบ้างลักษณะอย่างงั้นนะพระโมกขลาเอยใช่ผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเออปะ่ะถ้าอย่างนั้นพวกเราออกบวช ด, ดีกว่าวะเ อ, อ่อไปหาที่เ อ, อ่อหาแหล่งที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายดีกว่า น, ะนี่แหละ อันนี้ก็คือบุญบุบญบารมีเก่าเข้ามาถึงนะมันเป็นอย่างนั้นนะคล้ายๆมันรู้เท่ารู้ทันรู้สึกในความรู้สึกแต่ก่อนมันสนุกแต่มันดูแล้วมันไม่สนุกจากนั้นท่านก็เลยไปบวชเป็นลูกน้องสัญชัยปริพาชกศาสนาหนึ่งในกรุงราชคือที่เป็นศาสนาใหญ่จากนั้นท่านก็ได้ฟังธรรมเทศนา ป้าเจชิต่อมาท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระรหันต์ในเมื่อท่านเป็นสําเร็จเป็นพระรหันต์น่ยท่านมีบริวาร500อยู่นะภาษาบุทธแล้วก็พระพุทธองค์พระพุทธเจ้าตอนที่พระราหุลอายุเจดปีเข้ามาขอทรับพยากรจากพระพุทธเจ้าขอขุมขุมทรัพย์จากพระพุทธเจ้า พระองค์บอกว่าลาหุนเธอจะเอาโล ก, กียทรัพย์หรือจะเอาโล ก, กุตลทรัพย์หรือลกมนะันพอลาหุนก็คงจะถามเนี่ยเป็นเด็กอายุเจ็ดขวบอันไหนดีพระเจ้าข้าพระองค์โลกุตละซับเน่ยเลิศประเสริฐกว่าโลกียาซั์มันหมดเป็นใช้จ่ายมันก็หมดโล ก, กุตลทรัพบเน่ยอยู่ในจิตใจนะไม่มีวันหมด ควรจะเอาโลกควรจะเอาโลกกุตลทรัพท์ดีกว่านะโลกคราบผมพอเนี่ยเอาสารีบุตรเอานําลาหุนไปบวชซะสาเป็นสมัญเนนพะระพุทธเจ้าก็เลยมอบให้ภาษารีบุตรเป็นพระอุปชานะนะปพระองค์ไม่ได้บวชเองนะอมอบให้พระลับภาษารีบุตรเป็นผู้กํากับดูแล ร, ราหุน จากนั้นพระสารีบุตรก็เป็นผู้ดูแลกํากับ เ, เหมือนกับลูกตนเองหลักฐานนะเป็นลูกบุญธรรมหลักฐานนะพระพุทธเจ้ามอบให้ท่านก็เป็นประชามาไปที่ไหนท่านก็เอาไปด้วยเลี้ยงดูอาหารการบริโภคอะไรอะไรทุกอย่างท่านก็ดูทั้งหมดเที่งวันหนึ่งพระสารีบุตรท่านไปพาคันโคงจะคิดถึงแม่น่ยมั้ง ท่านก็เลยพาพระสงฆ์ไปบินทบาตไปก็เลยไปผ่านผ่านมืนพระสงฆ์ตั้งห้าร้อยใช่ไหมเข้าไปก็เลยไปหาบ้านคุณแม่ปลาเหลาหุนเป็นเนน้อยก็ไปด้วยพอเข้าไปในบ้านแม่เห็นเท่านั้นแหละคล้ายกับลูกชายคนโตแล้วก็น้องๆก็ไปบวชหมดพาน้องไปบวชหมด แม่ในก็อยู่นั่นแหละจุก บ, บริวา น, นโมโห و! พอเห็นลูกชายเข้ามาเท่านั้นแะแม่ทั้งที่จะมีศรัทธานหนึ่งความโมโหมีอยู่เออโหลูก ơi! เอ้ไปหาขอที่อื่นหาขอกินข้าวที่อื่นไม่ได้เนาะไปหาขอเศษขอเดนจากคนอื่นไม่ได้เนาะกลับมาบ้านแล้วเนี่ยสมควร กินข้าวกินอาหารเนยไม่ควรจะกินในกระบวยหรอกกินในก้นกระบวยกะพอยกระบวยคือทับพีนะไอ้เขาเอากระบวยตักตักข้าวตักแกงคนโบราณนะใช้กระบวยแต่นี่ทุกร้านพุกวันนีทับพีนะทับพีตักแกงนะอย่าไปหากินอยู่ในทัพีกินในก้นทับพีอะไรหลังทับพีก็พอแล้วละ่ะไอ้ แม่ภาษาลิบุตตะคอกให้ลูกวะ เ, เธอเนี่ยท่านนี่ยทำให้จิบหายตระกูลจิบหายเงินตั้งแปดสิบโกศน้องๆก็หนีไปบวชมดท่านเนี่ยเาเป็นผู้พานำไปท่านให้ตระกูลจิบหายทั้งทงตักอาหารให้ด้วยทั้งด่า ล, ลูกชายไปด้วยแม่นะภาษาลิบุตก็ะเช้ ทั้งที่บริวารตัวเองทั้งห้าร้อยอยู่นน เ, นาา เ, เนียเอ่อแล้วก็ตะคอกดาพระเอกทีนี่อพวกท่านทั้งหลายเนาะเออได้ลูกของข้าไปแล้วได้สารลิบุตรไปแล้วได้ขี้ข้าไปแล้วเนี่ยแหละพวกท่านทั้งหลายก่อนเออดีดีเนาะเออเออได้หัวหน้าพวกท่านทั้งหลายไปเนี่ย ก็ ต, ก ต, กตักอาหารถวายพระเหล่านั้นอกีกพระเหล่านั้นก็ไม่พูดก็มองมีแต่มองหน้ามองหน้าลูกพี่ลักษณะอย่างนั้น่ะมองหน้าท่านสารนบุตรพอฉันอย่างหาเสศษแลหลอพอรับได้อาหารจัดนนั้นพระสารีิบุตรไม่พูดใหม่เอพลาดม า, าเลยอย่าง น, นั้นะเศจแล้วก็กลับวัดป่าเวลุวันพอกลับมาแล้วก็พระพุทธองค์ก็ ท่านคงจะรู้เป็นภายในนะท่านก็เลยถามจำเนรลาหุนเลาหุน เ, เธอไปรับบินทบาทที่ไหนวันนี้พระาหุนก็บอกว่าข้าพระองค์ไปกับพระอุปชาไปรับอาหารที่บ้านของคุณย่านะพระลหุนพระนหุลเลียกแม่ของท่านสารีบุตรนะเป็นคุณย่านะให้ความเคารพเพราะว่า เพระลาหูนี่ถือว่าพระสารีบุตรนี่ถือว่าเป็นพ่อพ่อพ่อเนั่นพ่อบุญธรรมนะท่านก็เรียกว่าไปรับบิณฑบาตบ้านคุณย่าครับผมเออไปไงเอบ้านคุณย่าคุณย่าโอภาปาสัยกับเอท่านสารีบุตรเอดีไหมพระลาหูก็เลยเล่าเล่าให้ฟังอย่างที่ว่าเนี่ยนะอ่ สันนี้ก็ท่านแล้วไอ้สาริบุตรอาจารย์อุปชาของเธอเน่ตอบคุณย่าว่าอย่างไงพลางหุณนก็บอกว่าพ ร, พระอุปชาของขา้าของข้าพระองค์ไม่ได้ตอบว่าเลรพอเห็นยา่าว่าอย่างงั้นแล้วก็พระอุปชาก็นิ่งเฉย อ, อพอนิ่งเฉยแล้วก็ ก็ฉันจังหันแล้วก็กลับเลยก็ไม่ไม่ได้พูดอะไรครับผมอืมแต่นี่พระสงฆ์ท้งหลายเนี่ยที่ไปด้วยกับโอ้ท่านพาษสาลีบุตรกูบาอาจารย์ของพวกเราเนี่ยเป็นผู้อดทนจริงๆขนาดแม่ด่าต่อหน้าหมูพวกเพื่อนมากมายท่านไม่แสดงอากับกิริยาโกรธโมโหโกรธาให้แม่ท่านเลยท่านช่ย เหมือนกระดาแผ่นดินลักษณะอย่างงั้นจิตใจมั่นคงจริงๆพระสงฆ์สนทนากันพระพุทธเจ้าเสด็จมาถามว่าพระสงฆ์ทั้งหลายพวกเธอสนทนากันเรื่องอะไรพระสงฆ์ทั้งหลายก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าตอนเช้าวันนี้ภาษาริบุตรไปรับอาหารจากโยมแม่ของท่านโมโยมแม่ของท่านก็เลย ว, าาว่าก่าวเจ็บๆให้กับท่าน แต่ท่านสารลบุตรเนี่ยท่านเฉยท่านไม่ได้ต่อต้านไม่ได้พูดอะไรกับโยมแม่ท่านเลยเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นพระพุทธองค์บอกว่านี่แหละซาเลบุตรของเราถ้าท่านสาเลบุตรเป็นผู้มีปัญญาท่านตัดความโกรธได้แล้วท่านตัดตัณหาได้แล้วความโกรธของท่านไม่โผใคร่ๆไม่พยองตัณหาของท่าน คือความพรายามอยากก็ไม่ไม่พยองท่านตัดออกจากจิตใจได้แล้วเราจึงเรียกท่านผู้ใดก็ตามถ้าทำได้อย่างนั้นแล้วเราว่าเป็นพรามก็ว่าพรามเราเนี่คือคือเป็นผู้ลอยบาปลอยความชั่วออกจากจิตใจเขาว่าพรามแท้นะถ้าพรามเทียมก็ยังบ้านนั่นถ้าพรามพรามแท้นะั่นก็คือเป็นผู้ไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะพระพุทธเจ้าว่าเรียกว่าพราม นี่แหละอันนี้ก็คือการยกย่องภาษาลิบุตรเป็นตัวอย่างที่ดีนะสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายถ้าเป็นผู้ใหญ่ว่าให้แสแดกอากับกิริยานะพวกเราในฐานะนลูกๆ ห, หรือว่าผู้น้อย เ, ออเราก็ควรจะเงียบไว้ก่อนจนกว่าวันไหนมีโอกาสเราจึงค่อยเขาไปชี้แจงบอกกล่าวว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อ เรื่องรามันผ่านไปแล้วนะถ้าไม่สําคัญไม่จําเป็นก่อนมันจบๆไปเลยมันแล้วๆไปถ้าว่ามันมีเรื่องที่จะต้องชี้แจงก็ยังค่อยว่ากันแต่ถึงยังไงก็ตามท่านภาษารีบุตรนี่นะอกับโยมแม่ของท่าน่ะท่านไม่ได้ปล่อยป่าละเลยนะถึงแม่ท่านจะพอใจไม่พอใจยังไงฮแต่ท่านก็ยังรักเคารพออย่างเมตตาในโยมแม่จะช่วยเหลือโยมแม่ได้อย่างไงนาะ ทำไมโยมแม่จะไปหาติดอยู่ในเรื่องลาบเรื่องยศเรื่องเงินเรื่องทองมันเอาไปด้วยไม่ได้ด๊อกในใจของท่านท่านมีจะให้ธรรมะเนี่ยอย่างที่พระพุทธเจ้าอย่าไปเอาโลกิโลกิยะด้นานโลกเนะ่ยเอาโลกุตลนะน่ยประเสริฐกว่าเนะนี่ยนี่แหละภาษาริบรูท่านอยากจะให้แม่ท่านได้โลกุตลนะเน่ยเมื่อโค้งสุดท้ายนะ่ยท่านก็ไปป่วยหนักภาษาริบรูป่วย <c oughs> ท่านจะไปปรินิพานที่ในห้องประสูตร <c oughs> ในห้องประสูตรของโยมารดาของท่า น, นอยู่ที่บ้านนาระกะนะพอไปภิกษุห้าร้อยลาพระพุทธเจ้าแล้วก็พระพุทธเจ้าอนุญาตอไปตามการอันควรของเธอเธอนะสาริบุตรคือภาษาอัครสาวกในจ้องปรินิพานก่อนพระพุทธเจ้านะตามประเพณีใ น, นครั้งครั้งพระพุทธเจ้าองค์ ก, ก้อนนะท่านดู อันดีตแต่ชาติของท่านนะพระอัครสาวกต้องปรินิพานก่อนพระพุทธเจ้านะแต่นี้พระสารีบุตรก็เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าขอลาปรินิพานนะท่านจะไปรปรินิพานที่ไหนนี่แหละไปที่ห้องห้องประสูติห้องเกิด ท, ที่เบื้องที่บ้านนาลกะพอไปถึง น, นก็โยมแม่ธรรมาขอมาพักที่บ้านนะโยมแม่ก็เอ้ย อแก่ขนาดนี้ได้ยังค่อยมาตนะ้อนโลกเนาะอายุตั้งแปดสิบแล้วอแต่ก่อนไม่มาเพิ่งจะมารู้ว่าเป็นบ้านตัวเองจะมาพักเหรอเออเอาอาตามาขอพักในห้องเนี่ยห้องที่แม่คลอดนั่นะหอะห้องคลอดเจ้าห้องไหนแต่มาขอพักพักห้องนั้นเออเอาจัดให้เพอลูกชายมาจะขอพักที่บ้านแม่ก็ดีใจเออพอด้สุ็จัดที่ให้อลไรก็ พระสงฆ์ก็นั่งเป็นสองข้างเพราะสารีบุตรนอนพอ น, นอนอาการโรคของท่านกนกรรมเริบขึ้นมาเลยจ้ะเนี่ อ, อนี่แหละพระอาราหันจะทิ้งขันมันทิ้งไม่ยากนะที่ท่านจะตายน่ยที่ว่าท่านจะทิ้งขันทิ้งไม่ยากพอลงไปแล้วก็ป่วยพอป่วยเสร็จแล้วก็ถ่ายดำถ่ายแดงออกมาเลยจ้ะเนี่ยออพอตกตอนหัวค่าแม่ก็มองเห็นบอกว่าสารีบุตรป่วยแม่ก็ไม่สบายใจนะ ว่าป่วยมามาป่วยนะพระสงฆ์ก็พระแม่ก็มองทางประตูหรือมองเห็นพระสงฆ์ก็นั่งล้อมล้อมอยู่วงอยูออ่พอตกตอนค่าเทวดาลงมาเขามาเป็นหมู่แม่ก็ถามว่านี่เป็นใครเทวดาโอ้สวยงามมากคนกลุ่มนี้ต่อมาเห็นพระอินทมาอีกสีเขียวอีกนี่เป็นใครพระอินทโอ้ลูก ใหญ่กว่าพระอินใช่ไหมใช่อาตมาใหญ่กว่าพระ อ, อินต่อมาถึงเที่ยงคืนพรมลงมาเดินโอ้พรมยิ่งสวยกว่าพระ อ, อินอีกสีนวลจนบอกไม่ถูกอันนี้เป็นใครเนี่ยทำไมสวยมากลูกอันนี้คือพรมอ้าวคือพรามเขาถือว่าพรมเลยใหญ่สุดใหญ่สุดกว่า เ, เป็นตระกูลของพรามแต่นี้ พรมยัมากราบภาษาริบุตรอีกกราบลูกของตอนเองเลยลูกใหญ่กว่าพรมใช่ไหมใช่อตมาใหญ่กว่า เ, เป็นใหญ่กว่าพรมเห็นไหมพรมลงมากราบเนี่ยนะพอพูดเท่านั้นแหละแม่นี่หมดทิฏฐิมานะทีนี่หมดทิฏฐิมานะโอ้โหลูกของเราไม่ใช่ธรรมดานะ เ, เหนือกว่าอินกว่าพรมไปอีกเพราะท่านเป็นพระหันหมดกิเลส อินพรมทั้งหลายยังมีกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่แต่พระอรหันต์หมดราคะโทสะโมหะ เ, เลิศกว่าพรมพนานางก็เลยสยกภาษาริบุกเลยเทศให้ฟังโอโยมานดาอย่าไปติดข้องกับโลกวัตตะสงสารเลื่องลากเลื่องยศนะในร่างกายเป็นอเ น, นจังทุกของอาาาังอนาตตาทั้งก็เทศไตรลักษ์ให้ฟัง จากนั้นนางได้ฟังธรรมเทศนาของภาษาริบุตรสําเร็จพระโสดาบันนะพอได้สําเร็จพระโสดาบันภาษาริบุตรโอ้ส่งแม่ขึ้นฝังแล้วไม่ตกต่ําแล้วเอจากนั้นท่านทาการปรินิพานนี่แหละผู้มีปัญญาอ克拉สาวกของพระพุทธเจ้าท่านโปรดพระมารดาถึงมารดาจะว่ากาวยังไงท่านก็ไม่ได้ ใส่ใจมีแต่พยายามจะทำยังไงให้แมเ่เป็นสัมมาทิตฐิจึงจะมีหนทางที่จะพ้นทุกข์ส่งแม่ให้ถึงฝั่งไม่ให้เวียนว่ายตายเกิดนี่แหละอันนี้ก็คือภาษาลิบุตรแต่พระโมกขลาเนี่ยโอ้อันนั้นยกแม่ไม่ขึ้ น, น, น, นพระโมกขลาเนี่ยยกไม่ขึ้นแม่พระโมกขลาในตกต่ำ พอสอนไม่ขึ้นทิฏฐิมานะสูงกว่าสอนไม่ได้เนี่ยนะไม่ทุกคนไม่ใช่จะสอนได้ทุกคนนะเพราะนั้นพวกเราคณะสัทธายาติโยมลูกหลานพระเนตรทุกองนะสรุปแล้วก็คือให้ยอมรับฟังเหตุผลเหตุผลอยู่ตรงไหนเราควรจะฟังไม่ใช่ว่าดันทุลังมันดันทุลังนะมัน มีแต่ไปทางชั่วจะมากกว่าถ้าว่าเป็นผู้ฟังไฝในการศึกษาไฟในการฟังไฟในการเรียนรู้อันไหนคือหลักเหตุผลอันไหนคือถูกต้องอันไหนคือผิดผิดถูกรู้ไหมผิดถูกควรไม่ควรนี่แหละสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะใช้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านะมารูดูตนเองเออ สองกระจกขึ้นมาแล้วก็ดูดูตนเองคนระับหลักธรรมคือกระจกแล้วก็ตัวของเราเนี่ยจะมองในกระจก เ, เราจะเราควรจะปรับปรุงแก้ไขกายวาจาใจของเราอย่างไรที่มองมองอมองดูในกระจกแล้วนะเหมือนกับเรามองในกระจกเราเป็นสิวเป็นฝ้าเป็น ฝ, เนฝีเป็นที่ไหนเราก็ดูแกะออก ปรับปรุงใบหน้าของเราให้มันดีนี่ก็เหมือนกันเอาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าขึ้นมาสินห้าพระพุทธเจ้าไปยังไงไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์เพราะอะไรถ้าเราฆ่าคนอื่นเขามาฆ่าเราเราฆ่าเขา่เราเขาเราเราเขาเขาเราสินห้าของพระพุทธเจ้าเราขาดตกบกพร่องไปมากเกินไปหรือไม่เอาก็จกขึ้นมาเออใช่ เราควรจะทำตัวให้ดีขึ้นนี่แหละกระจกเงาคือพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างที่นลงพ่อได้กล่าวเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆกท่านนะผูดทั้งนี้ทั้งนั้นถูงพ่อผูดแต่ละวีแต่ละวันก็เพื่ออยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายสานึกนึกคิดปรับปรุง กายวาจาใจของพวกเราให้ดีที่สุดนะความหมายเอาต่อนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร